บุญข้าวประดับดินเป็นวันทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แก่บรรพชนหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายที่รักเคารพที่ล่วงลับดับขันไปตลอดถึงวิญญาณที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลหรือววิญญาณเลื่อนลอยฮะที่จะมารับส่วนบุญกุศลกุศลได้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 ในทางพระพุทธศาสนาแล้วท่านไม่ได้ถือว่าเป็นของเล็กน้อยเป็นของที่ใหญ่เป็นชีวิตเรื่อง ก, การเป็นอยู่ของพวกเราในหลักของพระพุทธศาสนาท่านมาให้มองข้ามพักคุณถ้าเราไม่มีพ่อแม่เราจะมีวันนี้ได้อย่างไรถ้าว่าเราไม่มีพ่อแม่เป็นเครื่องเกื้อกูลอุดหนุนไม่มีพ่อแม่เป็นเครื่องดูแล เลี้ยงดูเรามาเราจะมีวันนี้ไหมพราะพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องพระคุณท่านปารบในครั้งพุทธกาลท่านยังปลารบพิศวงในวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารที่ท่านดูแลแม่ของท่านที่ทุกตกทุกกรยากแต่พระพุทธองค์ก็ได้ยกตัวอย่างพระองค์เหมือนกัน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 อยู่ในภูเขาต่อมาพ่อแม่ก็เลี้ยงท่านท่านก็อยู่ในตระกูลของอีแรงต่อมาพ่อแม่เขาแก่เท่าชราเหมือนกับคนอ่ะสับปสัตว์ทั้งหลายต้องมีแก่เจ็บตายในที่สุดอีแรงที่จะเป็นอีแรงมันก็เท่าแก่ชราเหมือนกันแต่นั้นมันก็หมดแรงตาบอดทั้งคู่ก็อยู่ในถ้ำจากนั้นลูกชายที่ ดูกับพ่อแม่มันก็ไปคาบอาหารมาจากที่ไปกินแล้วก็คาบมาเลี้ยงพ่อแม่แม่แง้งพ่อแล้งมันก็ได้กินอาหารจากลูกชายเป็นประจำเพราะพ่อแม่ตามบอดบินไม่ได้แล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งแรงตัว น, นั้นไปหาคาบอาหารอยู่ในละแวกป่าช้า คือสมัยนั้นประเทศอินเดี ย, ยคนแก่โบราณเขาน่ะถ้าคนตายแล้วก็ไปทิ้งซากศพไปในป่าช้าเขาไม่ได้เผาไม่ได้ฝังอย่างทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่อย่างประเทศที่เบตเวลาคนตายไปแล้วเขาไปยำแข่งยำขายำมนุษย์จากนางกระโยนให้อีแรงกิน ดังเขาแปลกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฟังฟังเขาพูดในตำราเขาบอกว่าถ้าคนใดกินเหล้าเมายาไม่มีศีลไม่มีธรรมเขาคุกมันสมองแล้วก็ให้หัวหน้าแรงกินหัวหน้าอีแแหลไม่กินเลยเขาวอกงั้นนะขนาดคนโบราณก็ยังเพราะว่าแร้งไม่กิน คนชั่วเนี่ยแล้งไม่กินเนมันอาจจะมีตำรามาจากที่นู้นแหละแย่นี้เขาก็ยังพูดอยู่อันนี้คือเขาเลี้ยงพวกอีแล้งแต่ในแล้งตัวนั้นก็คงจะลักษณะอย่างงั้นน่ะก็คงจะคาบอาหารไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของมันแต่วันหนึ่งพวกที่เบียดเบียนพวกสัตว์ก็มีอยู่พวกเบียดเบียนพวกแล้งพวกก้าพวก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 ไอเห็ น, นอีแล้งมันคัคดมันแล้งโพธิสัตว์คงจะมีบุญบารมีมาเก่าแก่แล้วเนมันก็พูดเป็นภาษาคนขึ้นมาโอ้ข้าพระเจ้าติดวงนายพานแล้วข้าพระเจ้าคงจะไปไม่รอดแล้วแต่ข้าพระเจ้าเป็นห่วงที่สุดก็คือข้าพระเจ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่เป็นอีแล้งอยู่ในถ้ำนี่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 อำนาจแล้วอยู่ในอำนาจของนายพรานที่จะทําให้กับข้าพเจ้าอย่างไรข้าพเจ้าก็จะต้องไปตามนั้นถึงเขาชีวิตของข้าพเจ้าแล้วคราวนี้นายพรานได้ยินหรือเอาแหลงตัวนี้ทําไมพูดเป็นภาษาคนได้นายพรานก็เลยเข้าไปหาทําไมแล้งเธอลำพึงลำพันอะไรแล้งตัว น, นั้นก็บอกว่าข้าพเจ้าได้เลี้ยงดู แม่พ่อที่ตาบอดอยู่ในถ้าแต่ข้าพเจ้ามาก็มาตุกบ่วงของท่านเสร็จแล้วคราวนี้นายพานก็ถามว่าเอา้าตะคอนอีแแรงเนี่ยเห็นซากศพเป็นร้อยยังเป็นร้อยกิโล น, นห่างไกลถึงร้อยกิโล ย, ยังเห็นซากศพแต่ทําไมเธอท่านไม่เห็นเหลอตาข่ายบ่วง ทำไมมาติดบ่วงทำไมท่านไม่เห็นแล้วว่าบ่วงมีแต่เขาว่าตาอิเล้งเนี่ยตาดีมากแม่มองเห็นบ่วงแต่ไกลได้อิเล้งตอนนั้นตอบขึ้นมาว่าถ้าหากวาความพินาศความพินาศและกรรมมาถึงตัวเองแล้วถึงจะอยู่ใกล้ๆก็มองไม่เห็นเพราะว่ากรรมอ่ะกรรมคือการกระทำแร้วว่าเป็นเรื่องของ ที่จะต้องได้ใช้กรรมแล้วมันจะมองไม่เห็นขนาดจุดจุดใกล้ๆก็มองไม่เห็นนายพานบอืมถ้าอย่างนั้นข้าเพาเจ้าจะไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าท่านะเราจะปล่อยท่านไปจากนั้นนายพานก็ได้ปล่อยปะ่ะออแรงอีแรงก็ให้สินให้พรบอกว่าข้าเพาเจ้าได้รับความอมสุขในการไปพบญาติ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 แล้วก็พร้อมกันท่านก็พูดว่ากรรมคนเราเนี่ถ้าว่าถึงคลาววิบัติมาแล้วมันมองไม่เห็นถึงจะมีความรู้ความฉลาดสามารถปาดเปืองขนาดไหนที่จะเอาตัวรอดได้ขนาดไหนแต่พอกรรมตัวนี้มาถึงมันปิดบังมันก็มืดมนโอนทการมันจะต้องได้ใช้ผลแห่งกรรมที่ตนเองได้กระทําเอาไว้มัน มันเป็นเครื่องมืดมิดปิดตานี่แหละชาดกในเรื่องนี้ท่านก็อนสอนเว้นเสียแต่ว่าเราได้ทําคุณงามความดีเอาไว้อย่างอีแรงอีแรงได้ทําคุณงามความดีได้เลี้ยงมารดาของของตัวเองเพราะนั้นท่านอีแรงตอนนั้นก็หลอดพ้นจากบ่วงของนายพรานได้เพราะว่าด้วยบุญบา ร, รมีหรือบุญกุศลได้สั่งสมคุณงามความดี ได้เลี้ยงมารดาบิดานายพานก็เห็นว่าแปฝงตัวนี้มีคุณธรรมและก็พร้อมกันก็คงจะเป็นมิตรเป็นสหายกันเป็นพวกพ้องบริวารกันแต่หากว่านายพรานเป็นพระเทวทัตเนี่ยแฝงตัวนั้นก็คงจะไม่รอดเหมือนกันนะนท่านบอกว่าในสมัยนั้นท่านสรุปชาดกว่าพ่อแม่ของท่าน พ่อแม่ของอีแร้งได้มาเกิดเป็นพระเจ้าทุโธชนะนางสิริมหามายาตัวพญาตัวแร้งตัวนั้นคือเราตถาคตแต่นายพรานเป็นพระอานุนท่านบอกสรุปสรุปการชาติเกิดของท่านนี่แหละทางว่าพระอานุ์หรือว่านายพรานเนี่ยเป็นพระเทวทัตนี่แรงตัวนั้นก็คงจะไม่รอดเหมือนกันเพราะเป็นคู่คอริคู่ศัตรูกัน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 ที่เราได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้พบธรรมคาสังสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราจะเป็นอริเป็นศัตรูต่อสิ่งรอบด้านมากมายพอเห็นใครก็คว้างหูคว้างตาไม่พอใจกันแหนกันแ น, ะแนพูดทาก ท, ทางเขาครอยๆว่าใจของเราเป็นอคุศลเกิดพบหน้าชาตินาอาริจะโตของเราก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ เราเกิดนานเท่าไร อ, อริยจตุรงเราก็ยิ่งมากเพราะเหตุไรเพราะเรามีแต่ผูกพยาบาทอาคาตในจิตในใจอยู่ตลอดเพราะนั้นเราไปอยู่นักสถานที่ใดถึงใจมันจะคิดไม่สบายใจเรื่อว่าโกรธโมโหโกธาให้แก่ใครก็ตามอันนี้เราต้องดูใจของเราเองใจของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่ลึกๆหรือเปล่าเนี่ยทาไมใจของเราจึงคิด อาฆาตพยาบาทจองเวียนคนอื่นเขาั้งทีเขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรกับเราเอออันนี้แหละใจของเราเนี่ยเป็นผู้จองกรรมจองเวียนได้เปล่าต้องถามตนเองจากนั้นเออเอาเอาเถอะข้ารู้แล้วว่าสิ่งที่คิดไปเ น, นี่ยเป็นอกุศลไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ไ, ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเราควรจะมีเมตตา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 เรากระเหมิงใส่เขาเขากับตากรเหมิงกับเราผลที่สุดก็พูดออกมาหม ก, กับผลที่สุดก็พูดออกมาด่าอีกผลที่สุดขณะพอด่าเสร็จแล้วก็ออกมัดออกมวยเลยไอออกแล้วยังไม่แล้ยังชวนพี่ชวนน้องชวนพักชวนพวกให้เกรดให้ชังกันอีกผลที่สุดก็เลยเกิดมาหมู่ญาติต่อมาชักชวนประเทศชาติลบลาข่าฟันกันอีกมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกิเลสกิเลสความโกรธ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 มีคนคนหนึ่งไปขุดทองเออไปขุดทองเขาก็ได้ทองมาเป็นกอบเป็นกำเขาก็อวดเขาก็บอกว่านี่นะการขุดทองในการถุดตรงนี้เออเป็นทองจริงๆได้ทองมาเห็นไหมผมผมร่ารวยมาที่มีเงินทรัพย์สมบัติขึ้นมาเนี่ยเพราะผมขุดทองเอ่อหรือว่าผมทํางานอย่างนี้ผมได้เงินแล้วผมปลูกยางอย่างนี้ผมรวยอย่างนี้ ผมได้เงินมามากแตเพราะผมทํางานอันนี้ผมได้ขุดทองอย่างนี้ผมจะได้เป็นเศรษฐีอันนี้เราเมื่อเขาเมื่อเขาบอกอย่างนั้นแล้วเนะเอาเราจะไปหาเก็บไปไม้มาขายเหร อ, เ, อเราจะไปเก็บใบไม้มาขายกิบกิ่งไม้มาขาย เ, าเก็บก้อนหินที่ไหนก็มาโลกกอกแกะเอามาขายเออ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 หลวงปู่ต่างๆที่ท่านล่วงรับดับขันไปพอเมื่อท่านล่วงรับดับขันไปกระดูกของท่านก็เด็ด ก, กลายเป็นพระธาตุเป็นเม็ดกลมให้พวกเราได้เห็นได้ศึกษาได้กราบาาได้วาดได้เคารพสักการะบูชาใครๆก็พูดในตำรับตำราท่านก็พูดเอออันนี้คือกระดูกของพระอรหรันติของพระอรหันต์กระดูกของพระอรหันต์ที่กลายเป็นพระธาตุที่เม็ดกรมอย่างนี้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 ท่นก็นให้ภาวนาพทนะุทโธน้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพโทุทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าอ่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเวลาเดินขาขวาพุทขาซ้ายโทเวลาอยู่ตามลำพังให้มีสติสัมปชัญญะว่าเราอยู่ในสถานะไหนเดี๋ยวนี้เราอยู่อย่างไรให้มีสติอยู่กับตัวเอง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 วิธีการปฏิบัติท่านก็นเ น, น้นน่ากว่าพุทโธนะเอออันนี้คือทางเลือกหนึ่งคือทางเลือกหนึ่งโดยมากท่านเลือกมาแล้วครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเลือกมาแล้วท่าน่าให้ภาวนาพุทธโธการภาวนาพุทธโธกำหนดลมหายใจอานาปาณสติกํำหนดลมหายใจเข้าออกนี้เกือบถูกกับทุกจริตนะท่านพูดอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเรา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 ท่านก็กำหนดเพียงแต่กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ ท, ท, ท่านบำเพ็ญอยู่ในโคลนต้นโพลพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บริกรรมพุทโธด้วยนะพระพุทธเจ้าสิทธัตถะนั่นยังเป็นยังท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันเดือน6กเพลนท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเมื่อท่านนั่งขัดสมาธิแล้ว นั่งคัดสมาธิเหมือนพระประธานเนี่ยเวลานั่งภาวนาพระประธานนั่งอยู่ตรงหน้าของพวกเราเนี่ยขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูคือไหว้พระพุทธทเจ้าทะกคนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพภคคุณของบิดามารดาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ภคคุณของพระพุทธทเจ้าพระธรรมประสงค์ที่ท่านได้บอกกล่าวแนะนําพวกเราเราต้องรับลึกถึงพระคุณของท่าน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 มีพุทโธด้วย่มันมีสองทั้งลมหายใจด้วยทั้งพุทโธด้วยใจของท่านรวมสงบได้ เ, เ, เ, เมื่อใจสงบรวมสงบแล้วก็ใจของท่านมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีความรู้สึกในใจว่าไม่เสื่อมใจของเราไม่หลุดอีกแล้วอยู่ได้ทีนี้เพราะบังคับให้อยู่กับกรรมฐานพุทโธนะนี่แหละอันนี้ละคือกรรมฐานเบื้องต้นขององค์หลวงตาท่านกับพูดใน ต ำ, ำรับตำราแจะพูดในแนวปฏิบัติขององค์ท่านจากนั้นท่านก็เมื่อจิตใจสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วอท่านกดไปการาบหลวงปู่มัน่นจัดใจของท่านสงบแน่นปึงเลยเดี๋ยวเนีเ้นั่งทั้งคืนก็ได้อไม่ไปไม่ปรุงไปพุป่งไปที่อื่นหลวงปู่มั่นกันแน่น่ะว่าต้องนํามาพิจารณานะให้มันออกพิจรนารณาอแต่หลวงตาท่านบอกว่า มันกาหนดไม่ออกมันอยู่แล้วมันอากจะอยู่ที่เก่ามันไม่ออกตรงปูมันบางครับบางครับให้ออกอยู่ทําไมไม่แช่นั่งสงบอยู่อย่างเดียวไม่ได้นะมันไม่เกิดประโยชน์สมาธิเนี่ยความสุขในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านเองมันไม่เป็นเนื้อเป็นหนังอะไรเหมือนเนื้อติดฟันท่านเองความสุขในสมาธิอย่าไปติดบังคับให้ออกบังคับให้มันคิด คือให้บังคับให้อยู่ในกรรมฐานห้าเกสาโลมานขะาะทันตาตะจูให้ออกมาพิจารณากรรมฐานห้าจากนั้นก็หลวงตากับหลวงปู่มั่นดุท่านก็มานำมาพิจารณากรรมฐานเพราะพิจารณากรรมฐานานเนี่ยมันปองฟุ้งคิดอยู่ทั้งคืนทั้งวันตอนไม่หลับเลเพราะมันปองอยู่ในกรรมฐานามันไม่ได้เข้าสู่ความสงบมันคิดปองอยู่ตลอด เห็นงานเลยสินี่เออเหมือนกับเราทํางานทํางานมันได้เงินเลยเอพอทํางานขึ้นมามันเห็นผลงานออกมาเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นเหมือนโอ้เราเป็นนอนอยู่แต่นั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่บัด น, นี้เราทํางานงานมันออกมาแล้วค่าวเนี่ยเออมันเป็นผลงานออกมาเออเห็นความสัตว์ความจริงขึ้นมาในใจของเราตะก่อนเราไม่เห็นอย่างนี้แต่บัด น, นี้เราเห็นเพราะในจุดนอนไม่หลับ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 ถ้ามันออกไปข้างนอกตเตลิดเปิดเปิงจนไม่มีที่หยุดที่ยับยัง้งเออมันหลับไม่ได้นอนไม่ได้มันปงฟุ้งอยู่ตลอดก็เป็นบ้าได้ไง่ายๆเป็นบ้านสังขารอันไหนก็ถูกอันนั้นก็ถูกอันนี้ก็ถูกโที่สุดธิมีเวลานอนไม่มีเวลาพักผ่อนท่านก็ บ, บังคับให้เข้าสมาธิากำนดให้เข้าสมาธิบริกรรมพุทโธอีกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทบังคับอีกโที่สุด บ, บังคับจิตใจรวมสงบนิ่ง เคยให้ใจพักผ่อนในเมื่อใจพักผ่อนพอเป็นแนวทางเป็นกาลังแล้วนามาพิจารณาทำมาพิจารณาเสร็จแล้วก็นามาพักผ่อนพักผ่อนฉจแล้นก็นำไปพิาพจารณาเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเลยมีจะทําทงาน ท, าทั้งวีทั้งวันดูสิมันจะไหวไหมไม่ไหวเหมือนกันนะต้องมาพักผ่อน น, นอนทานอาหารเสร็จแล้วก็พักผ่อนพอพักผ่อนเสร็จแล้วก็ไปทํางานอีกพอไปทำงาน ได้ผลงานออกมามีอะไรที่เราไปทำพอไปทำเสร็จแล้วมันเหนื่อยแล้วใจมันล้าแล้วจะให้ทำไปตลอดไม่ได้มันจะเบอร์กลับมาพักก่อนอีกทานอาหารเสร็จแล้วนอนอีกนอนแล้วกลับไปพิจารณาอีกนี่แหละให้ทำต่างกล้ามต่างวาระในการปฏิบัติธรรมให้รู้จักวิธีการพักและก็วิธีการเดินเดินเดินพิจาสนาสมถะ คือทำจิตใจให้สงบจิตใจให้นิ่งอันนี้เรียกว่าสัมมะทัติปัญสนาคือทำให้คิดตามเหตุและผลกันกลองด้วยเหตุและผลนี่แหละวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องดังนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นแนวแถวของสายลุงปู่มันเป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดัานได้มักได้ผลมาแล้ว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 เป็นอะไรเราควรจะตายใจได้เราควรจะสนิทเอไว้เนื้อเชื่อใจได้ว่าธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนที่บอกกล่าวเอาไว้ในตํำรับตาําราหรืองว่าชีวประวัติของท่านนั้นท่านพูดเป็นแนวทางเอาไว้แล้วพวกเราท่านทั้งหลายควรจะเดินตามเราไม่ควรจะคว้าหน้าคว้าหลังองนั้นพูดอย่างนี้องค์นี้พูดอย่างนั้น ตำรานั้นพูดอย่างนั้นตำราที่พูดอย่างนี้เพ่งอย่างนั้นเออเพ่งกระสินอย่างโน้นเพ่งกระสินอย่างนั้นชานชาญอย่างนี้พลังยงน้นพลังอย่างนี้มันมีได้ออกทางนอกทั้งนั้นมันไป่ได้เข้ามาสู่จุดหมายปลายาทางทําไหมเรามาศึกษาสายในหลวงปู่มันเรายังไม่ไว้ใจหลวงปู่มันอีกใช่ไหมเรายังไม่เชื่อในปฏิปทาของหลวงปู่มันใช่ไหม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 หลวงพ่อเองในหลวงพ่อหลวงพ่อมั่นใจเกินร้อยเพางั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ว่าตะร้อยหมื่นแสนนั้นหลวงพ่อไว้ใจทั้งหมดมั่นใจทั้งหมดในทําคําสั่งสอนของหลวงปู่มั่นในทําคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนวแถวสายหลวงปู่มั่นที่ท่านได้นําสั่งสอนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะฟังแล้วก็นําไปคิดกันกลองใส่ตองด้วยเหตุผลเอาการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสุ้มควรกับการเวลาก้อยุติ